ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มประโุติยานในวันนี้คงเป็นการตอบคำถามของนายทหารชั้นประทวนต่อไปคำถามว่ า, าศาสนาพุทธที่มีพระศรีอริยเมตไตรยโยเป็นาศาสดานั้นมีจริงหรือไม่กำเนิดจับแจแปลนใช้โยเรเป็นสื่อกลางอันนี้ที่จริงเนี่ย มันคนละเรื่องกันนะฮะก็เรียกว่าหัวมังกรด้ายมังกรก็ได้กันคือเรื่องศาสนาประสีอานเนี่ยมันเป็นตานานที่เชื่อมโยงมาจากพระไสยบิดกแต่รายละเอียดเนี่ยมาอยู่ในเรื่องของพระมาลัยเทวเทนซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องมาชาติชาด ก, กันนะคบเขาบอกว่าพระสีอานจะมาแัสรุในโลกในเมื่อ โลกมันอายุไขของมนุษย์นี่ลดลงไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆเราจะเห็นว่าท่านนับตามที่ท่านว่าเนี่ยคือร้อยปีอายุไขมนุษย์ลดลงไปหนึ่งปีแล้วก็เวลาเนี้ยถ้าเราเทียบสมัยพระพุทธเจ้ามาอายุไขมนุษย์ก็ลดลงยี่สิบห้าปีเพราะงั้นถ้าประสีอ่านจะมาเกิดวุ้ยมันนานไม่รู้จะเท่าไหร่ พอมนุษย์ถึงยุคหนึ่งมนุษย์จะมีอายุสั้นแค่ร้อยปีเอลแค่สิบปีแต่ท่านเองในจะเกิดกะลียุคจะมีการเข่นข่าตทำลายล่างกันบาดเจ็บล้มตายกันเป็นส่วนมากผู้หนึ่งก็หนีเข้าไปอยู่ในป่าแล้วต่อมาก็เกิดสํานึกเข้าใจดีขึ้นมาก็เริ่มพัฒนาการใหม่เข้าสู่ทฤษฎีวิวัฒนาการใหม่พัฒนาการใหม่ จะอายุยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้ น, oon, น, oon, น oon, ถึงแสนปีแล้วยุลล็ลดลงลดลงลดลงลดลงจนเหลือแปดหมื่นปีเขาบอตอนนั้นน่ะพระเสียญาติใจจะมาจะสรุปที่เราเห็นว่าไม่มีเหตุผลเยอะตั้งเยอะเลยอายุแปดหมื่นปีก็เกินไปนะครอายุสิบปีตายก็เกินไปอายุแสนปีก็เกินไปเพราะฉะนั้นมันเป็น เครื่องมือของลัทธิโยเรก็นั่นมีสุสมะที่ตอนข้าวบางเมืองไทยเนี่ยมันก็หาวิธีว่าทำยังไงจะโน้มน้าจิตใจคนไทยให้เห็นตามคอยตามได้ก็มีอดีตรองอธิบดีกรมการศาสนาท่านหนึ่งไปญี่ปุ่นก็เกิดแน่ให้นะฮะโดยเจตนาดีนั่นแหละบอกว่าให้กล่าวอ้างพระศิยาเมตรัย เป็นพลังแสงจากประสีเรียมิตรใจแต่ที่จริงพวกนี้เป็นนับถือผีนะฮะตัวชิงตัวชิ้งตัวเนี้ยตัวผีเราไปในที่สํานักขเขาก็ได้จะเห็นว่าพระอุตรูปจะอยู่ต่ากว่าตัวผีแสดงว่าตัวผีของเขาสูงกว่าหรือแม้แต่พระของเขาเนี่ยมันเขาก็เป็นที่จริงเป็นลทัทธิอีกลทัทธิหนึ่งแต่มาแฝงอยู่เพื่อจะอาศัย มันก็จะค่เกาวฝากเนะี่ยเกิดขึ้นที่ต้นไม้แล้วจะเริญมเติบโตและในสุดก็ต้นไม้ที่อาศัยก็ถูกทําลายให้ตายไปเกาฝากก็จะเริ่มขึ้นมาแทนคนในเมืองไทยวันนี้ก็ตื่นตัวกับโยเรยอยู่เยอะเลยนะคราบมาเองก็เคยไปประมาณทั้งสองสามครั้งอนะครับไปบรรยายเพรนั้นเราไม่รู้เพราะว่าพวก ที่คุ้นๆกันเนี่ยมันอยู่เยอะก็ามาในบนไปให้พูดเราก็พูดเราก็พูดก็ญาติโยมว่าเราอเร า, าก็ไม่รู้เรื่องอะไรอะไรต่อมาวันหนึ่งไปพูดทางฝั่งทลแล้วก็พูดเสร็จเวลามันก็เหลือเลยก็เดินดูในที่ต่งางๆเขาก็ขอให้ฉันข้าวที่นั้นเราก็เดินดูไปเห็นเข้าเอ๊ไม่เจาะมาผักกนลด้านในทสุดก็ไม่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัดนี้ แต่ว่าสังคมเราเนี่ยมันมันเป็นทางเลือกนะคือถ้าเรามองก็ด้วยความเป็นจริงมันก็เป็นทางเลือกเขาสมัครใจจะเลือกก็ก็ก็ไปคือชาวผู้เราไม่หวงศาสนาไม่หวงศาสนิกแต่เขาจะไปเข้ารีดนับถือคริสต์นับถืออิสลามนับถือโยเลนับถืออะไรก็ไปเถอะมันเรื่องของเขาเป็นความสรัทธาความพอใจที่เขาจะไป แต่ว่าคนเราลองนึกดูให้ดีนะฮะว่ า, าศาสดาเป็นอรหันตสมาสมาสิมพุทธเจ้าสัจรูปิสัจรู้ชอบโดยพระองค์เองไม่มีใครที่สัจรู้ในระดับเดียวกับพระองค์เรามีาศาสดาอย่างนี้แล้วยังไปหาชาวบ้านไปกราบกราบไปไหว้ชาวบ้านธรรมดาธรมดามันก็ช่วยไม่ได้วงวานว่างเกลียวว่าท่านมีสุดสัมภารก็ร่วรวยกันใหญ่โตเมือนกันราชาราชินีนะเวลาเนี้ยคนไทยเราก็ก้นเงินไปปนเปื้อเขาก็ช่วยไม่ได้ เขาเปิดเข้าไปตามกรรมจริงหรือไม่ว่าถ้าพี่น้องห้าคนคนที่สี่คือโคตโมคนที่ห้าคือเสียยาเมตโยอันนี้เป็นตำนานนะฮะเป็นตำนานที่เกี่ยวกับไก่เป็นอะไรล่ะเขาเรียกกับกุสันโทโกโนาคมกัสปากัสอบโคโดมเสียยาเมตใจเนี่ยก็เป็นตำนานเป็นหนังสือรุ่นหลังเล่ากัน ดูแล้วก็ก็ฟังไว้ก็ได้นะฮะแต่ว่ามันไม่เคยพบหลักฐานชั้นบาลีแล้วก็ดูแล้วก็ความสมเหตุสมผลมันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลอะไรเท่าไหร่แต่จะฟังไว้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะฮะคือแสดงเห็นว่าในสังสารวัตรเนี่ยคงก็เคยเกิดเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นพ่อแม่ลูกกันมาผ่านพระเจ้าต่างๆกันมาเป็นนันมาก จรงรไม่ว่ากึ่งพุทธกาล 2,500 ขึ้นมาจะเป็นยุคของประสิญามิตใจีิเท็ศนะครับะสิยาเมิตใมันมาอีกนานอย่างที่ว่าเนะะี่ยครอันนี้เป็นการเท็จของหลายาศาสนาที่จริงาศาสนาคริสต์เนี่ยก็โมเมเอตั้งแต่โตู้น ต, ตั้งแต่พศ .5 พศ .500 นะครับหรือศาสาศนาพุทธเมียยุอยู่แค่500ท่านั่นเองแล้วพระเยซูก็คือพระสีอานก็พยายามหากินกับพระสีอานกันเยอะ มันแบบเมตไชยาของศาสนาคริสต์เป็นคล้ายๆกับโอรสจาก ส, สวรรค์ที่ส่งมาช่วยแก้ปัญหาความทุกข์แก้แก้มนุษย์แต่ถ้าเรามองดูให้ดีมันก็ไม่สมเหตุสมผลอะไรนะฮะคือสมมติว่าพระเยซูปเป็นพระสีอานจริงไอ้ไอ้สิ่งที่เขาบอกว่ามีอยู่ในศาสนาพระสีอานมันไม่มี แล้วที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือว่าคนที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ในสัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยร่างกายจะต้องประกอบด้วยมหมาปริสาลักษณะ32ประการเสรียก่อนถ้ายังไม่ได้ลักษณะอย่างนี้ก็ยังเป็นพระพุทธยาไม่ได้เพราะมันมีปัญหาที่ตัวของมันเองเยอะแต่ว่าคนเรามือก็หยิบของไะเนาะคือถ้ามือเราเรีย ง, ยงไปตรงๆนะฮะ มันจะหยิบของขึ้นมาไม่ได้มันต้ององององอนิดหน่อยจึงจะหยิบได้หลังการที่คนจะเอาอะไรจากใครมายัางไงก็ตามลาบยศสันเสริมสุขเนี่ยจากคนอื่นเนี่ยมันต้องอ ง, ององอนิดหน่อยจึงสามารถจะหยิบสวยสิ่งเหล่านั้นเอามาได้ตามต้องการก็ต่อไปถามว่าบลผู้ถามไปบวชอยู่เรถูกบิดาจ้างไปรับพระที่กล่าวถึง แต่แม้ต่าจะบาปมาให้ถ้าไม่เชื่อฟังบิดาไม่บาปหรอแสดงว่าคุณมีเหตุผลมีสติปัญญาดีบิดานั้นควรจะจะรับการตักเตือนชี้แนะให้เกิดความเข้าใจนี่ก็เป็นสิบเอกนะฮะเป็นสิบเอกสิบเอ ก, เอกทีลพันปุลทิพต่อไปก็เป็นธรรมาจาและจาประยงป้องสี ทำไมจึงมีการประพรมน้ำพระพุทธมนต์อยู่ตลอดเมื่อมีพิธีกรรมทางศาสนาพระเหตุใดและอยากจะทราบความหมายและกระผมคิดว่าจะพุทธได้มีความสนใจและให้ความสำคัญมากๆทุกครั้งที่มีพิธีกรรมคือพิธีประพรมน้ำพระพุทธมนต์เนี่ยมันมีตำนานความเป็นมาที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่นะฮะ อ่บังเกิดตุภิกภัยในเมืองภัยสาลีแล้วพุทธเจ้าก็เสด็จไปโปรดโรคบางก็หายตุภิกภัยมันก็หายแล้วก็รับสั่งให้พระ น, นรินทรนพุทธมนต์ไปแล้วก็สาทยายแล้วก็สวดแล้วก็พรมน้ำมนต์รอบ ก, กาแพงทั้งเจ็ดชั้นบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขพวกวัชชีก็นับถือคารวเติทูลบพุทธเ จ, จ้าสุทธิวิจิตใจเนี่ยทีนี้เมื่อเข้ามาสู่พิธีมันก็ เขาก็ใชยพิธีตรงนั้นแต่บางเปรตเกิดเป็นขวัญเป็นกำลังใจแล้วบางคนมันก็ได้ในสิ่งที่เขานึกอยากได้เอาแล้วเมื่อเขาไปเชื่อมโยงมาสิ่งนี้ได้พอไปประบรมน้ํามนต์มาจากวัดนั้นวัดนี้จากหลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้เขาก็รู้สึกสบายใจแต่น้อยมันเป็นระดับขวัญกำลังใจสำหรับคนที่มีความเชื่อถือจะต้องอิงอาศัยน้ําประพุทธมนต์อยู่เนี่ยก็ ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรเนี่ยก็ถูกน้าเย็นๆสมมติว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์อะไรน้ามันก็ไม่ได้แปดเปื้อนอะไรแต่ว่าสิ่งที่อยู่ได้ยั่งยืนมาไม่น้อยกว่าพันห้าร้อยปีนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรอกเราจะเห็นว่าน้ำมนต์นี่มีเกือบทุกศาสนาในความเป็นน้ำมนต์นั้นมันเป็นติตรานนภาพมันเป็นพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังคาญนุภาพ ที่สามารถจะบรรเทาปัญหาอุปสรรคอันตรายระดับที่ไม่ใหญ่ตัวเกินไปเนี่ยลงไปได้เพรา ะ, ะเมื่อใครยังพอใจติดใจอยู่ระดับนี้ก็ต้องปล่อยเข้าไปอย่างลองสังเกตว่าพิธีกรรมต่างๆที่มีการจเจริญพระพุทธมนมีน้ํามนต์แล้วเนี่ยสมมุติเราจะไม่พรมเนี่ยเขาก็ไม่ยอมะแล้วก็เป็นพิธีกรรมที่คนต้องการมากที่สุดคือพรมน้มํามนต์ นะบางทีเราก็ต้องเดินกันพรมน้ำมนต์จนจีบอในเปียกชุ่มเลยน้ำมนต์หม ด, หมดแต่คนยังไม่หมดก็มีนะเคยไปเจอที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงทีนะึ่งพรมกันแขนในลามเมื่อยเลยนะปวดเมื่อยแขนหมดเลยก็แกล้อมเข้ามาแล้วถอยออกไม่ได้คนที่ผมไม่ถึงก็ผมไม่ถึงคนที่อยู่ข้างหน้าก็เปียกไปก็ถอยออกไม่ได้ไม่มีทางออกก็วแกล้อมมารอบตัวเลย แล้วก็ซาดตะมนต์สายไปจนหมดขันหมดขันก็เลิกอันเนี้ก็คือแสดงว่าคนระดับนักศึกษามหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ยังพอใจจิตใจในเรื่องน้ำพระพุทธมนต์อยู่มันต้องมีอะไรในตัวน้ำพระพุทธมนต์นะเพราะถ้าไม่ดีจริงพิสูจนตัวเองไม่ได้เนี่ยคงอยู่มานานขนาดนี้ไม่ได้หรอกข้อต่อไปถามว่า กระผมสงสัยเกี่ยวกับพิธีกรรมของศาสนาคือพระพุทธองค์ได้เสด็จปรนิพนธโดยพระองค์ท่านไม่มีบินดาลที่จะมาอยู่ในพบต่างๆอีกแล้วออทรงเรือไว่าแต่คำสอนและผู้ที่สืบศาสนาเท่านั้นแต่ทำไมพิธีกรรมของชาวพุทธซึ่งมีการถวายข้าวพระพุทธ ซึ่งกระผมก็ใจว่ามันเป็นการเส้นไหวบิญยานของพัทยาวใจหรือเปล่ามันเป็นเครื่องบูชานะครับก็เรียกว่าเป็นทานวัตถุที่นําไปเป็นเครื่องบูชาจั ก, กรันไม่ได้มีความคิดในแนวที่จะเส้นข้าวให้กินหรอกแต่ว่าโดยความเชื่ออย่างหนึ่งในสังคมพุทธนี่ถือว่าพระพุทธปฏิมาแต่ละองค์นี่มีเทวดารักษา มีเทวดาอารักมาคุ้มครองรักษาป้องกันเอาไว้เพราะงั้นเราจะพบอลุงพ่อพระองค์ในครั้งมากก็แสดงว่าเทวดามาอยู่เยอะคุ้มครองรักษาอยู่เยอะเวลาเคยไปบนบ่ายสางกล่าวเรื่องอะไรเทวดาเหล่านั้นก็รับไปทำหนา้าที่ในานามของหลวงพ่อพระวุทธรูปพระองค์นั้นมันโดยเจตนาจริงๆเนี่ยยังนึกเลยไปว่ามันเป็นอุบายวิธีของคนโบราณ น, นะคือว่า เวลาพระเข้าไปธรรัดเช้าธรรมดเย็นเนี่ยธรรมะเช้านะฮะธรรมดเย็รรนก็ไม่ถวายหรอกไม่บูชาหรอกก็จัดอาหารเข้าไปอย่างที่บัดบบว ร, บรนี่ชัดเจนมากเลยก็บูชาหลวงพ่อพุทธชินสีพระใหญ่กว่านั้นก็มีนะองค์หลังนะองค์หลวงพ่อโตเนี่ยองค์หลังใหญ่กว่าก็เมื่อพระออกจากโบสถ์แล้วเนี่ย คนดูแลโบสจะต้องปัดกวาดจะต้องเก็บเช็ดถูอะไรแต่ไรต่างๆเนี่ยเสร็จแล้วมันก็ไปกินอาหารเขาไม่ได้ก็เอาอาหารเนี่ยไปกินเป็นลูกสิษยพระก็กินจนอิ่มนะฮะบางเลยนะฮะใส่บาทต่างบาทแต่ค่อนข้างใหญ่ก็เรียกว่ากินอิ่มก็แล้วกันางกินสองคนยังยังไม่ไหวเลยนั้นก็คงจะเป็นอุบายวิธีของคนโบราณที่ต้องการดูแลคนซึ่งผ้าโบสรักษาโบส์ ไม่มีอาหารการกินอยู่ด้วยแล้วตัวเองก็ได้ทำพิธีสักการะบูชาด้วยแต่ไม่ใช่เป็นแนวเส้นสูงนะครับไม่ใช่เป็นแนวเส้นสูงนอกจากในที่บางแห่งที่เขามีความเชื่อมั่นว่ามีเทวดารักษาเขาก็ทำในรูปเส้นสูงแก่เทวดาซึ่งอารักขาพระพุทธรูปรงนั้นอยู่ก็แล้วแต่ความเชื่อในท้องถิ่นเหล่านั้นแต่สรุปว่ามันเป็นกุศลเจตานาแล้วกัน ถ้าเกิดนั่งสมาธิแล้วจิตฟุ้งซ่านเราควรทำยังไงก็ภาวนาให้หนักเข้านะครับเชจะภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้หนักเข้าวาณาดูเร็วนับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบนับหนึ่งสองสามสี่ห้านับหนึ่งสองสามสี่หกหนึ่งสองสามสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่แปดหนึ่งสองสามสเก้าหนึ่งสองสามสี่สิบะไรก็นับไปเนี่ยทำให้ทีเข้าแล้วก็อาจจะเดินจงกรมหรืออาจจะใช้วิธีอื่น ดูอะไรที่จิตมันคุ้นแล้วก็สงบได้เร็วเราก็ใช้วิธีนั้นนี่ก็เป็นคือจิตนี่มันมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันพุ่งสั้นสัดสายโดยธรรมชาติของมันดิ้นรนกวัดแหวงห้ามยากรักษายากมักตกไปในอารมณ์ที่ชั่วนี่อะไรปตอพันสองอำเภอถามว่า มีวิธีอะไรบ้างที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัดสงสารองเล็บในไปใส่บันทึกว่าไม่ทําร้ายพระพุทธเจ้าไม่ทําร้ายพระสงฆ์แตกแยกไม่ฆาบิดามารดาว่าศปัติคาสามารถปีบิได้หรือเปล่าไอ้นี่อนันตเรกรรมนะฮะอนันตเรกัมคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่ารหารทําร้ายพระพุทธเจ้าและทําสังกับได้ทีนี้ลงมดเว้นเนี่ยมันก็เป็นบุญมหาศาลนะ้วเปบุญมหาศาลแต่ไม่ใช่ถึงก็ไม่เกิดอีกนะะ ไม่หยถึงก็ไม่เกิดอีกแต่ทําให้พบชาติเราดีขึ้นการไม่เกิดอีกก็ต้องทําลายตัวกิเลสเื่อวิชาให้หมดไปจากจิตใจเสียก่อนถ้าตาแบวิชาจะมีอยู่ในการเกิดมันก็ต้องมีอยู่จากนั้นเพราะวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็ น, นปัจจัยเกิดปัญญาเป็นบันปัญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลาจตนะสลาจตนะเป็นปัจจัยเกิดปัจจัยมันเป็นกระบวนอย่างเนี้แต่าวัยทานหนึ่งชุด กับถวายพระพุทธรูปสิบสองนิ้วทิศให้กับผู้ตายแล้วผู้ตายได้รับเลยหรือเปล่าแล้วผลบุญอย่างไรบ้างก็แล้วแต่เขาอันโมทนากคนรับผลบุญนะถวายอะไรไม่สาคัญหรอกถวายอะไรก็ได้แต่ว่าหนึ่งเราถวายไปแล้วสองเราตั้งใจอุทิศสามเขารับทราบเป็นโมทนามันมีองค์ประกอบหลักอยู่สามสามประการด้วยกันพระเจ้าตอนนี้อยู่ในที่ใดก็ไม่ได้อยู่ในที่ใดหรอก ยังเหลืออยู่แต Trump, ่พระคุณพระคุณก็สติอยู hai, thing, ่ท er. ุกคนทุกแห่งอะเราจะน้อมนำพระคุณมาไว้ไปในจิตเราเมื่อไรก็ได้คือปัญญาคุณบริสุทธิคุณมาคุณาคุณเกิดมาทําไมมีกรรมไม่ใช่กรรมในบรรดานามาเกิดเมื่อมันเกิดด้วยกรรมมันก็ต้องมีกรรมพอมีกรรมเป็นเหตุได้เกิดมีกรรมเป็นเหตุได้อยู่มีกรรมเป็นเหตุได้ตายไปนะฮะแ้วกรรมก็จะนําไปสู่การเกิดอีก กรรมเกิดจากอะไรเกิดขึ้นจากเจตนาที่กระทำลงไปพูดลงไปคิดออกไปอะเป็นดีก็ได้ไม่ดีก็ได้กลางๆก็ได้ก็แล้วแต่แต่ว่าตัวการสาคัญอยู่ก็ดีและไม่ดีเมื่อเราทําแต่ความดีทําไมจึงมีกรรมก็กรรมดีไงฮทีนี้ส่วนที่ว่าเราอาจจะทํากรรมดีแต่เรามีเรื่องปัญหามีความทุกข์ความเดือดร้อนมีปัญหาประสาทต่างๆกรรมมันไม่ได้มีเฉพาะกรรมปัจจุบันที่เราทําในขณะนั้นๆ แต่ในชาติเนี้ยแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยที่จริงถ้าเรานับไปดีแล้วเนี่ยมันมีอดีตกรรมไกลโพ้นนะฮะก็เรียกอปาราประเวทนียกรรมที่มันตามมาจากชาติอดีตแล้วก็มีกรรมในชาติก่อนเขาเรียกว่าอุปา ป, ป ช, ชาวเวทนียกรรมนะกรรมในชาติปัจจุบันเรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมแล้วกรรมในแต่ละขณะที่เราพูดเราทําเราคิดในขณะนั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าย่อยให้ดีแล้วมันก็มีทั้งสีห้าอย่าง ซึ่งกรรมใดจะให้ผลก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ที่แน่นอนที่สุดคือกรรมดีให้ผลดีกรรมช่วยผลชัว่วจากข่าวคราวทางหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับความขัดแย้งของคณะสงฆ์ซึ่งเรื่องการไปรูปถึงกับมีการปลดพระชั้นผู้ใหญ่อยากทราบว่าความความเป็นมาก็ไม่มีอะไรหรอกมันเป็นระบบของการบริหารเฉย ซึ่งในหลักการบริหารเนี่ยหมายความว่าเียงคณะรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อคนหนึ่งมีมติไม่เห็นร่วมกับสังวนตรีทั้งหมดก็ต้องพิจารณาตัวเองคือต้องออกไปต้องลาออกไปมันเป็นการขัดแย้งระดับนโยบายแล้วก็ตําแหน่งเหล่านี้ยจริงๆมันเป็นตําแหน่งชั่วคราวนะฮะเป็นตําแหน่งชั่วคราวเป็นเทอมเป็นเทอมไปอนะยังไงก็ต้องออกอยู่แล้วออกเร็วออกช้าก็คือออก เยงแต่ว่าเขาตั้งใหม่หรือไม่ตั้งใหม่ก็อีกเรื่องหนึ่งดัานนั้นเด้งอย่าไปติดใจอะไรเลย อ, องค์ที่ถูกออนท่านก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกท่านก็อยู่ดีมีสุขสบา ย, ยาเขียนหนังสือแจกไปเรื่อยๆรมังกุรราตรีลัยเป็นแหล่งผิดพระบัณฑิตที่เผยแพร่พระศาสนาแต่ปัจจุบันพระที่บวชเข้าไปศึกษาเมื่อจบชั้นสูงได้ลาศิกขาออกมาอยู่ในทางโลกทางคณะสงฆ์จะแก้ไขยังไง คือวัดเนี่ยมันเป็นที่ฝึกปลืออบรมกุลบุตรกุลธิดาก็เน้นไปที่กุลบุตรนะนะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาสมมุติว่าท่านบวชแล้วท่านไม่ยอมศึกเลยแล้วก็วัดก็อยู่ไม่ได้หรอกมันไม่มีที่จะอยู่ไม่มีอาหารจะเลี้ยงกันมีปัญหาที่จะตามมาเยอะเลยเพราะถ้าก็อยู่อาจารย์ขนาดนี้แล้วก็ดีแล้วโดยตามหลักจริงๆในการศึกษาเนี่ย นักศึกษาระดับปรัชญาเนี่ยต้องน้อยนะฮะศึกษาที่เกี่รวกับชีวะเนี่ยต้องมากพาะปัญหาเ ศ, ษศรษฐกิจเป็นปัญหาใหญ่แต่ปัญหาธรรมะเนี่ยถ้าเรามีหลักสักข้อหนึ่งเนี่ยมันก็ไปได้แล้วคนเนี่ยมีเมตตามีซื่อสัตย์มีขันติมีความเพียรมีหิริโอตปาอะไรต่รนะตางๆเนี่ยมีหลักใจสักข้อหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะประคองตัวได้ในะทางกาดีโลกไนดะ้ พราจะอยู่รือจะศึกนี่มันเป็นเรือล่มในนองเงินทองไปไปไหนก็อยู่ในพระพุทธศาสนานี่เองท่านเหล่านั้นก็ออกไปแล้วก็ยังทำประโยชน์แก่ศาสนาได้อยู่ก็อาจจะทำได้ดีกว่าบุคคลบางคนได้ซ้าไป อ, อ, อะไรอะ่ะในอนาคตรัฐบาลจะมีการไปรูปการศึกษาการศึกษาภาคบังคับต้องจบมสามแล้ว โรงเรียนประยะติธรรมจะมีพระเนรที่ไหนมาศึกษาประทรมสืบทอดศาสนากรมการศาสนาจะมีวิธีแก้ไขอย่างไงผู้ถามเป็นห่วงประศาสนาจะเสริมศรัทาไปจากคนไทยคือนี้ยังนึกว่าในรายละเอียดเนี่ยต่อไปมันต้องมีข้อแม้ไว้ว่าการสาธารณสงจะขึ้นรองรับไปสอดคล้องกับการสาระระดับมัธยมหนึ่งระดับมัธยมหนึ่งของทังโลกวันเด็กพอจบป .7 มันก็แยกเข้ามาทางนี้ก็ได้นะฮะแยกไปตางโน้นก็ได้และใช e, ้ระยะเวลาเท่ากันหมายความว่าเด็กถ้าออกจากมปเด็กก็ไปมหนึ่งถึงมสา ม, ออ ม, ม, ม, ม, มสงมอหก 6, ก็หกปีนะฮะแล้วก็ไปต่อปิาตีอีกสี่ปีก็เป็นสิบปีทางศาสนาก็จัดโครงสร้างการศึกษาให้อยู่ในระดับนั้นคือประมาณสิบปีถ้าหากว่าทำได้อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้แปลกอะไรฮนะ ทีนี้สมมติว่านะฮะสมมติว่าคนจะบวชน้อยลงก็ไม่ค่อยแปลกหรอกเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วในสมัยก่อนมันมีความจำเป็นที่จะต้องบวชเรียนนะบวชเข้าไปเรียนภายในวัดเพราะที่เรียนมันไม่มีเวลานี่เราก็เอาธรรมะเข้ามาสอนข้างนอกสอนตามสถาบันการศึกษ า, าต่างๆปลูกฝังเด็กกันมาตั้งแต่ประถมมัธยมจนถึงอาชีวระระดับอุดมศึกษาเนี่ย ก็ส่วนใหญ่จริงๆเราก็ต้องการให้มีคนดีมีศีลธรรมมันเกิดขึ้นนะนั่นเองพระเราส่วนใหญ่ก็เป็นพระระดับปุถุชนไม่ใช่เป็นพระระดับพระรยาบุคคลพวันแต่พระจะน้อยลงไปแต่ว่าคนดีมีศีลธรรมเกิดขึ้นในบ้านในเมืองมากมันก็ไม่ได้แปลกอะไรอนะคือบ้านเมืองมันเป็นระดับโลกมันก็เป็นโลกอย่างเนี้ยแล้วต่อไปเนี่ยพระที่จะบวชก็อาจจะ มุ่งไปสู่การบรรลุมรควุนิพานเป็นการเฉพาะเลยแบบวิปั ส, สนาธุระไปการเรียนก็เป็นเรื่องของชาวบ้านคือบางทีมันเป็นกิจกรรมซ้ำซ้อนแต่เราก็อยู่กันอย่างเป็นเราเป็นเขามากไปนะฮะต่างคนต่างก็พยายามแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเลยเรื่องมันยุ่งแต่ถ้ามองว่าเป็นเรือล่มในหนองเงินทองไม่ไปไหนเราใครจัดการศึกษาใครจัการสาไปก็เป็นประโยชน์แก่คุลบุตรของชาติเหมือเหมือนกันมันก็ไม่มีปัญหาอะไร ต้องฟังทั้งหลายแต่โลมพ่อโพธยาในวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบูรในธรรมเดียวมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี